ตอนตอนครั้งแรกเลยก็ยกซ้ายไว้ที่ท้องท่องไปแต่ตอนหลัไม่ได้ท่องแลัวพยายามนใจนิ่งแล้วก็ไปเหมือนกันค่ะตอนกันที่เราท่องเราควรไม่ผิดท่าใช่ตอนแรกเยังไม่ได้ท่องก็บาทันก็นิ่งเหมือนกันค่ะก็น่าจะสังเกตนะที่ที่เรา ควากลัวเป็นแบบไหนนะะ่ที่จริงก็รูปแบบไม่ใช่มันไม่นี่แบบเป็นตายตัว14จังหวัด12จังหวัดอะไรนะี่จังหวัดก็ก็ไม่สําคัญแต่สําคัญจังหวัดตอนนั้นไม่ใช่สําคัญจังหวัดตอนที่มันจะครบรอบอะไรสําคัญต่อจังหวัดนั้นเช่นตอนนั้น รู้สึกในตอนนี้ตอนนีก็รู้สึกในตอนนี้ให้มันเป็นจังหวะที่มันรู้ที่ลักษณะแต่มาสังเกตยมอนวทีให้จจะช้าไปหน่อยคือบางทีเราแบบมันไปกําหนดรู้มากนช้าไปหน่อยเนาะเหมือนที่ใครอกให้มันรู้ละเอียดรู้ช้าไปหน่อยมันจะทําให้มันมันคือที่ไหนเหมือนเราต้องใช้พลังงานในการรู้เยแต่จริงรู้ไปแล้ รู้แล้วก็จบรูจบรู้จบมันมันจะไม่เป็นภาระหัวใจเราต้อแค่รู้หลงไปคิดก็ไม่เป็นไรครับที่นั่งทางข้างกันเป็นยังไง มีว er ่าว่าเหมือนกันทีก็ผิดตั้งใจมากเึ้นไปแลวตัวอั่างยังนับก็ค่ไยๆไม่น้ำนะคะพยายามให้เป็นธรรมชาติผิดบ้างถูกบ้างก็ปล่อยไปแต่ตอนเดินมานับก้าวท่านก็มาสอนไม่ต้องนับที่เดินสบายก็การนับเหมือนไปไปกังขาอีกิน เอิมก็เพิ่มแล้วยังนับอีกเพิ่หนึ่งก็เพื่อให้มันเราคิดว่ามันจะช่วยให้มันลงลงน้อยลงที่จริงก็มันก็ยังลงอยู่นั่นแหละแต่ก็แต่ถ้ามีใหม่ถ้ามันคุ้มมากๆอาจจะนับกาหนดเพื่อเติมก็ไม่เป็นไรแต่ก็ต้องรู้จักวางบ้างแต่ที่จริงเราฝึกแบบนี้เพื่อ เวลาเป็เครื่องในรูปแบบอื่นแทบบนฟันเราถูกตัวหรือว่าเรากวาดบ้านคือมันมีมันรู้สึกถึงการเคื่อนที่เป็นธรรมชาติแล้วก็แค่ตามรู้อย่างที่ที่มันเป็นตอนนั้นแหละคือไอ้เครื่อนเหลนี้เครื่องที่จะไปเคลื่อนอย่างอื่นมันก็จะรู้สึกตัวใช่ไหมคช่บางที่เราก็อืนตัวหยิบแก้วนะ้ำพอปฏิญาณร่างกายที่ลเอียดอะไร มันมันก็มันรู้สึกว่าเมื่อกี้เราเราไม่ตั้งใจหยิบมันเป็นอัตโนมัติคิดพุ๊ทําเลย่มนะใช่ไหมมันเหยียดไปทรู้ทันเมื่อนหยิบก็แล้วเมื่อกี้เหยียดเลยไปไม่รู้ทันแต่พอเกิดสติตอนนี้ห่างกลัไปกลับเข้ามาจะคิดมันรู้ตัวใช่ไเมื่อกี้อาจจะขาดสติไม่เป็นไรแต่พอครั้งใหม่ก็เกิดสติขึ้นมาแทนที่คือเรื่อเกิดสติมคนท้งไม่เห็นดล่างดีเมื่อกี้เรานั่งแบบลื่ตัว พอเรารู้ตัว่านั่งแบบมันตัวครกาได้ังตั้งใหม่นั่งก็ตั้งสติไปนะอคือมันก็เป็นเหมือนแค่อุบายนะอุบายทําให้เราอ่าจิตมันมีเครื่องอยู่แล้วก็เป็นการปลุกตัวรู้ขึ้นในจิตของเราเองคือยังไงโยมพิชัยนี่ยที่มาใหม่ มือที่เท้าที่รูปก็ได้หรือรู้สึกที่เท้าขาเราที่ถูกสัมผัสมันมันก็เนี่ยมันก็รู้สึกมันถามว่าความรู้สึกแบบนี้มันมีอยู่แล้วมีแล้วนะฮะเราก็แค่ดราดูมันเฉยๆไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมันแค่ มันรู้สึกมันเฉยๆมันเนี่ยทำทำง่ายๆแค่นี้แหละใช่ไหมแต่ถ้าบางทีถ้าเราแบบบางทีดายละเอียดมันเป็แบบไหนเริ่มแทช่งคิดเริ่มใช้กับความความรู้สึกความคิดเข้าไปจ้องดูแต่ถ้ารู้สึกเฉยๆไม่ต้องคิดแต่ถ้ามันจะรู้ละเอียดก็มันเป็นเรื่องที่มันเป็นรู้ของมันเองไม่ใช่ เราไปคิดูเรื่องคารูปขาเราอยู่บ้างๆรู้สติดไฟแดงอะแล้วก็ปิดมือนะถ้าเราทําอย่างนี้ได้นะมันเราจะมีรู้สึกว่าเวลาเราเสียเปล่าก็ต้องรออะไรนะเพราะว่เวลาเราเลื่อู่กับตัวเราตัวเนี้ยเทคนิคนะคนไทย นาคนเดียวครับ oh. นั่งอยู่ในห้องครัสิ uh ครย์เยอะมั้ย สบายใช่ไหมเด็กๆนกนะใส่ซื่อนะให้ใจเราใส่ซื่อแน่นะไม่ต้องไปใส่แต่งอะไรมากนะแบบซื่อธรรมดาบางทีผู้ใหญ่คิดเยอะหรือบางทีรู้เยอะบางทีก็ ควารู้ที่เราอ่านตรงที่เราฟังก็เอามาำหนักเราพยายามที่จะสอนสอนให้มันชื่อและใหมันยอมนะแต่จริงมันมันเป็นกระบวนการใช้ไม่ต้องใช้ความคิดนะแ ค, แค่ใช้พาเขาทำเหมือนเด็กอ่ะมันทีเราสอนด้คําพูดกับเราสอนด้วยการพาเขาทำเนะี่ยการพาทำมนะันมันเขาก็าดูเก็เรียนแบบ ทำไมาเด็กมันคล้ายๆพ่อแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็เชื่อพ่อแม่หรอกเพื่อสังเกตพ่อแม่นนะาานนะแล้วก็ทำตามพ่อแม่เป็นอย่างไปพุทธยายนที่ก็ก็เห็นแบบโตกที่เบตออะไรก็ก็หกเระยกไปหนีหนาวนี้นะลูกเลเ่นเศษแดงก็ไปด้วยทีเด็กก็วิ่งเล่นอะไ เห็นพ่อแม่เดินกลาบเขาก็กลาบตามนะมันคือไม่ไม่ต้องสอนแบบต้องทําแบบนี้แต่พอเขาเห็นเขาก็องเขาก็ทำเขาเองนะแลเหมือนพ่อแม่สมัยนัย้ที่ไหว้พักตีลูกแต่แต่แม่ไม่เห็นไหว้เลยนะคือ <c ười> ที่จริงเราก็ใช่สอนนะ่ะคือไหว้พักตีลูกแต่พ่อแม่ไม่ไหว้เสร็จกก็ไม่อยากไหวนะ้แล้วก็ไปดูว่าเด็กอืไม่เชื่อฟังไม่เีนะ เพราะจริงเขาดูทำไมพ่อแม่ไม่เห็นไ่าเขาก็มีวัยตามพ่อแม่เป็นตัวแก่ท่านแต่ถ้านับจากบางคนก็เขาก็มีอะไรของเขาดีอยู่แล้วก็แม้ไม่มีตัวอย่างที่ดีที่สูกแต่เขาก็อ่าาจะรู้สึกได้เองหรือว่าพอคนอื่นไม่ทําก็มีเนไรเขาทําเองนั่นตายจะมีบ้างหรือบางทีพ่อแม่ก็ตั้งวางใจบาทีพ่อแม่จะทําตัวอย่างดีแล้ว แต่ชีวเขาอาจจะไม่ดีของเขาเองก็ต้องวางใจนะแต่วิธีที่สอนที่สุ ด, ดคือาพาเขาทำนะ่ะอืมทั้งตัวเราเองก็เหมือนกันนะอะ่การสอนตัวเองก็เหมือนกันใช้การคิดใช้เหตุผลใช้การสอนโดยเอาธรรมะมายอ้อมให้น้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นแต่ใช้เหมือนการกระทําทําไนต่อมาอยู่กับปัจจุบัน ทางเราจะอจะอกจากความคิดตอนทำ น, น, บ น, นะำำบ่อยการภาวนาจิตกับการการกระทํำพอทําได้บ่อยจิตมันจะคุ้นในการดูออมาจิตมันจะคุ้นในการกลับมาไม่มันเหมือนมันไม่ต้องใช้ความคิดละเหมือนนักกีฬาหรือว่าเราชนานาญอะไรมันเหมือนมันเป็นอัตโนมัติอัตโนมัติแต่เล่นกีฬาก็เป็นอัตโนมัติจะขับัวเองก็ เขเป็นอัตโนมัติไม่ต้องแบบคิดต้องเหยียบเบรนะปฏิยาลัเท้าเหยียบลงมันเองใช่มันคิดจะหักหล็ไม่ต้องเกี่ยมมันหักแค่งงนะั้นเองมันเป็นอัตโนมัตมากเลยนะหรือมีมีความสงสัยหรือมีสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรบ้าง ถ้าจะพูดแบบรวมของผู้ป่วยมันก็พูดได้ยากบางทีต้องเป็นด้านแต่เคสเพราะว่าบา ง, บา ง, บ, างบางคนเขาเคยศึกมาก่อนบางทีพอเราไม่แนะนําต่อเขาเหมือนได้สติดสมาแล้วก็ทําก็ได้แต่ถ้าบางคนไม่เคยศึกมาก่อนบางทีก็ต้องใช้อาถายอุบายเยอะขึ้นนะต้อง ใครบางคนต้องเริ่มจากให้ง่ายก่อนเช่นเริ่มจากการสวดมนต์เลยนให้จิต ด, ดูตั้มาจากความเจ็บปวดกลับมาอยู่กับการสวดมนต์ให้ให้มนต์เหมือนเป็นเป็นที่อยู่ของใจให้มันดูตามมาดั้งมาง่ายๆพอจิตเป็นสมาธิอะไรครานี้มันก็สงบขึ้นครั้ น, นี้ก็ตึกมีสติดูดูการเคลื่อนไหว แล้วก็เห็นความเจ็บปวดที่มันแทรกมาต่อร่างกายนะมค่อยค่อยทําไปนะเข้าใจนะแต่ก็ต้องอาศัยด้วยนะต้องมาใส่ตัวกระตุ้นช่วยเยอะหม่เช่นเปิดซีดีหรือว่าเพื่อนที่หรือว่าคนที่ตัวแรงก็ต้องคอยคอยพูดให้เขากระตุ้นในการทํามากขึ้นแต่ถ้าคนเคยฝึกมาแล้วอย่างก็มาเขาพูดไปเยี่ยมโยมพิเศษพูดนะ โยมก็เป็นโยมที่เขา ก, ก็ก็เหมือนชาวบ้านทั่วไปไปวัดปฏิบัติกับรลวงพ่อนะแต่ก็ยังไม่ได้ทำจริงจังอะไรมากมายแต่พอป่วยหนักต้องแบบใส่ท่อหายใจอยู่นะแล้วก็ติดเชื้อมีไข้สูงจิตที่แต่ก่อนเคยแบบเป็นทุกข์หรือว่าปล่อยวาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ พอจุหนึ่งที่ร่างกายมัพลังมากนั่นก็เป็นธรรมชาติที่เหมือนผลักดันให้ทํำไงถึงจะคลายความทุกข์มาใจเขาก็วางได้มากขึ้นแล้วก็เหมือนตอนนั้นเขารู้สึกว่าเหมือนไม่มีที่ขึ้นอย่างอื่นที่จะขึ้นได้แล้วก็ก <c ười> <c ười> ็ดีมีมีผู้อาวุโสมีหลายๆคนได้ช่อยจะตุ้นให้เขาเหมือนสร้างสติตินี้และวเขาก็น้อนพลิ้งมือ น, นะ นอนคิดมือนะจิตมาอยู่กับสิ่งที่ทำนะเขาก็ทำได้เรียกว่าจิตนิ่งขึ้นนะอาจจะคิดบ้างแต่เหมือนพอเราตั้งใจทำนะจิตเป็นยืนนะความกลัวความกังวลความทุกข์ใจมันก็เข้ามาแทรกไม่ได้จนสุดท้ายตอนนี้ก็เหมือนก็จะดีขึ้นมาจนกำลังถอดพ่อหายใจได้ หมอที่ดูแลก็เหมือนประมาว่าเขาเห็นโยมเขานอยพลิกมืไอไหมล่ะก็เลยแบบอลองถอดท่อไปเลยดีกว่าเพราะว่าใส่ท่อมาร่วมี0ิดตัวันันมันมันจะเป็นอะไรเป็ติดเชื้อมากตร่นี้นะะ้วก็ถอดก็หายใจเองนะก็เหมือนหมอก็ประมาณว่าอนุภาพของการการที่จิตมันยอมรับความจริงแล้วก็มีสติมันช่วยได้ี ให้เข้าดีขึ้นเด้ได้เยอะเลยเอากระตุ้งง่ายๆนะกระตุ้งง่ายแต่ก็จะถึงขั้นแยกไปเลยบางทีมันก็ยากสําหรับผู้ใหม่ๆ <c oughs> แยกจะเห็นเห็นความปวดเป็นส่วนหนึ่งเราไม่เป็นผู้ปวดแต่เราฝึกแบบนี้ฝึกออกมาจากความปวดทีละขั้นไม่จะ จะฝึกแยกเดียวๆลงสปฝึกออกทีละครั้งฝึกออกทีละครั้งนย่างนั้นถ้าจะแนะนำนะฝึกออกทีละครั้งทีละครั้งให้เป็นเครื่องอยู่อจิตใจแต่ที่จริงเราก็ฟังไวรอไวที่เราเป็นแบบนั้นนะเราพยายามทำเราพยายามทำนะจริงๆนะวันที่เราปนะ่วยหนักก็พยายามทำนะคิดมือ คลิกมือไม่ได้ก็ดูโล่หายใจนะขยับอะไรไม่ได้ก็ดูเด็ดใจอยก็ <c oughs> ขอสัญญาณเป็นชครื่องนะ <c oughs> มีอะไรอยู่างเงี้ยอันี้เหมือนกันเตือน้ัตวเดียวัน ฝากรู้สึกตัวใช่ไหก็อย่างที่อจาพูดเมื่อแต่ช้านั่คือเัวอันหนักน่างแบนคับ่าพอมากลับมาจากความชิดความชิดก็ทาอะไรเราไม่ได้ใรับจิตใจตอัวมาอยู่กับการงานการนก็ดีแล้ว่าที่ที่สาคัญนั่คือเราเราหักเราหัดที่จะดูหัดที่จะูรงน้ เราก็จะมีสติที่มั่นคงขึ้นนพระเชาก็จะมุกลิเล่า้จะมีงถึงเรื่องที่ในพุตธการออย่างเงี้ยจะมีพระฤาเจ้าสอนในงานที่เราดูการเคลื่อนไหวนะครับเราก็รู้จักที่ความคิดเรื่องถึนี้ขึ้นนมันก็ถ้าหากวาเรา่ได้หดลองหัดแล้วก็อ้างมั่นที่จะหัดแบบนี้เนี่ย คือส่วนที่ถูกดูก็เป็นเรื่องของการเรื่องของใจใช่ไหมเราก็จะเห็นเรื่องที่เราก็จะเห็นทีลล์น้อยติลล์น้อยนะว่าเปินี้ทีเรยมันก็เป็นเรื่องของกายมันก็เป็นเรื่องของใจเมื่อมันจะมีคนที่ดูเราก็จะเห็นกายที่เคลื่อนไหวบ้างล้วก็เห็นใจที่มันคิดเล่นบ้างใช่ไหมครับเรเห็นการที่ปวดเมื่อยบ้างเราเห็นใจที่เดือดตุบบ้างอย่างเงี้ยใชครับเราก็จะเห็นนะ การที่เราดูอยู่เราก็จะเห็นการที่เขาจะได้นครับบนเมื่อก็นั่นคือกายที่เราดูอยู่ใจที่เขาเป็นกบ้างนันก็ดูอยู่ใช่ไหครับตรงเนี้มันก็เป็นเป็นฐานที่สําคัญนะครับที่ทําให้เราได้ค่อยๆวางวางอันนี้ร่างกายของเราอันจ้จิตใจของเรามเมืนกันในชะ่ไหมครับเพราะว่านี่คือเป็นสิ่งที่ เราเราดูเราเห็นเมื่อการที่เราดูเราเห็นเนี่ยอย่งบางทีเนาะเราอยางอยางบางทีเรานี่บางนิดนึงใช่ไหมครับบางทีเราไม่ไอ้เอาใจเอาใจสามาถเกินไปนนอย่างเงี้แต่ในเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีเราก็จะลเลยสิ่งเล็น้อยบางทีอาจจะปวดฉี่าเลยมันกเอาไปก่อนนะครับเดี๋ยวอีกสักเดี๋ยวนึง คือเรื่องพวกนี้มันจะเป็นอะไรมาเมื่อหราเหมือนกับหักหักที่จะไม่สนใจเขานี่ครับแล้วก็กลับมาสนใจจะเป็นร่กายที่เคลื่อนไหวเนี้ยเราก็จะเหมือนกับได้ค่ว่าโดยประสบการณ์แล้วก็จะเหมือนกับรู้ว่ากถ้าเกิดว่าเราไม่ให้น้ำหนักอะไรสักอย่างมากนะครับอย่างนั้นจะถูกลืมไปเองใช่ไหมครับสิ่งที่ถูกลืมไปเอง พอเราเหมือนกับผ่านเวลาไปสักพักหนึ่งข้อไหนเกิดไหนแล้วอย่างเนี้ยจะไม่นแบบไหนเงี้ยมันก็อาจจะได้ทําได้เห็นนะครับว่าอ๋อของตรงนีรนะพอเราไม่เอาใจสส่เดยวมันเกิดมันก็หักของมันจะเป็นแบบไหนเดิมมันก็มีเรื่องอื่นเกิดขึ Tah ้นมาพอเราไม่เอาใจใส่ก็หนักไปอย่างเงี้ยจะเม็นยบบไหคือเราก็จะค่อยๆค่อยๆมีประสบการณ์กับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นแบวทางจิตใจ ท้ายสุดเรจะพบว่าอืมมันก็มีหลายอย่างแต่ที่เกิดว่าเรามีหนักในบางสักอย่างหนึ่งกลับมารู้สึกตัวซะนี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราเคยได้หนักเนี่ยมันก็หนึ่งมันก็ต้องจบไปได้หอกไม่ว่าใจแรงหรช้าจะไม่รับอย่างนั้นอะไรเงี้ยสองมันก็มันมีไม่ตายเป็นส่วนที่เป็นส่วนที่ทําให้เราต้องไปกังวลต้องทําให้เราบุกจัดอย่นี้ก็ไ นั่นก็คือตรงนี้นะครันว่าการที <t <t ่เราหักเนี่ยหักตรงนี้นะครับให้เราได้เหมือนกับว่าหักนะครับหักมาหักมาสิ่งที่เรากลับมานะครับจากความคิดเราก็เหมือนกับว่าแล้วก็ไม่อะไรไม่อะไรของความคิดความคิดนั้นอาจจะดีอาจจะมามอาจจะโอ้ไอเดียีดีที่เราเคยเคยรู้สึกกับมันต่างๆ่างแต่พอเราหักมาหักมา อะไรก็ตามเนี่ยมันก็เราก็จะทําได้ดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยในการการใช้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ให้ผลในการให้ผลหลายอย่างนะครับหัดหนึ่งเรื่องเนี่ยนะครับหัดหนึ่งเรื่องคือหัดนะครับเริ่มต้จะกเราที่บอกว่าหัดเจริญสติเนี่ยผลก็คือนะครับกายก็ดีใจก็ดีเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เห็นได้รู้ แล้ถ้าตรงนี้แล้วถามันจะเป็นสิ่งที่มันจะเป็นสิ่งที่สิ่งที่เราไม่เห็นได้รู้นี่เราเรียกว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราทุกกับมัน้อยลงตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นปัญญานี่ครับใช่ไครับเป็นความไม่เที่ยงใช่ไหมเห็นความเป็นทุกข์ที่มันไม่ปั้งอยู่มาอย่างนี้ใช่ไหมครับเห็นว่าสิ่งที่สิ่งต่างาของเราเนี้เในอยากให้มันไปมันก็ไม่ไปแต่ถ้าเราไม่สนใจมันก็ไปเองเราคับมันชาอต่างๆไม่ได้ แล้ว่ th kh ็ม kh ันไม่ใช่เป็นของเ้า <c> ม <ười> ันเป็นเรื่องของการมันเป็นเรื่องของใจนะอะรเจอมครับตรงนี้มันไม่ใชเป็นสิ่งที่ทำให้เราค่อยๆค่อยๆเรียกว่าทุกน้อยลงเป็นระดับในความเห็ก็ให้พวกเราไม่ไม่ใจนะตรงนี้มันเป็นสิ่งที่หยาบหยาบเดี๋ยคิดว่าพอเราเริ่มทาปุกเนี่ยมันจะเป็นยาแต้าป่วยที่เดียวจะมาหายได้ทันที แล้วเดี๋ยเราไปปกตนากปเี่ยเดี่้องจำไว่าสักวันหนึงเราจะใช้ไ่ยนะครับแล้วเึ้นขดืนนะครับแล้วก็ขึ้ดู่นเนี่ยจะทาให้นตุ้มา้อลนะครับ